ใจสมใจพูดธรรมะตอนเย็นมาเช้าเราฟังหลวงพ่อเขียนเราก็น้อมเอามาปฏิบัติกันทั้งวันมีอารมณ์ปฏิบัติเกิดขึ้นมามากมายเช่นความห่วงเหงาเหงานอนหรือว่าความคิดความเบื่อความเซ็งความสงบความเจ็บความปวดความเมื่อยหรือว่าฟุ้งซ่านลำคาญใจมันก็จะเกิดขึ้นไป เดี๋ยวเย็นนี้เราฟังมอาจารย์สนใจนี่ถือว่าก็แนะนำเน้นหนึ่งเป็นเพื่อนกับอาจารย์เพศานะเรียนมาด้วยกันที่ธรรมศาสตร์เรเคยเป็นประธานชมรมพุทธทีนี้ท่านก็สนใจเรื่องการปฏิบัติมานานแล้วล่ะจนกระทั่งตอนหลังว่าเป็นอาจารย์อยู่ที่เชียงใหม่เสร็จแล้วก็ทำกิจกรรมพาเจริญสติแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อมเขียนไป ก็ทำให้คนเชียงใหม่ได้รู้จักวิธีการปฏิบัติเจริญสติถือว่าเป็นคนยุคแรกๆของเชียงใหม่ที่ทําให้สติปัฏฐานแนวเคลื่อนไหวนะเป็นที่รู้จักกันจนปัจจุบันนี้ก็มีกลุ่มตังสนใจปฏิบัติกันอยู่ที่นนีท่านก็มีประสบการณ์โชกโชนในเรื่องการปฏิบัติวิธีการนั้นวิธีการนี้วิธีการโน้นไปมาหลายที่นะท้ายสุดก็ เจอหลวงพุทเทียนเคยบวชขั้นหนึ่งแล้วตอนหลังก็ถือว่า Early Retire ก็ได้นะออกจากราชการก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำเร็จคนหนึ่งท้งโลกแล้วก็ทางธรรมก็คิดว่าท้ายสุดของชีวิตก็จะทำมรกคผลนิพพานให้แจ้งคำพูดของท่านาที่เคยได้ยินครางสุดท้ายก่อนที่จะตัดสินใจบวชการเดินทางสู่มรรคส่ผลมันก็ได้ชิมมา ตอนที่บทครั้งแรกว่าว่าความเป็นปกติรู้สึกตัวเนี่ยรู้ชัดการวางกายวางใจความเป็นกลางเราสังเกตได้เลยว่าเวลาเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาท่านจะแก้ไขแบบสันติวิธีสันติวิธีก็คือไม่ใช้เป็นการขัดแย้งแล้วก็เอาเหตุเอาผลมากมายเป็นเรื่องของต่ละคนแต่ละคนก็จะมีวิธีทําวิธีทาง ท่านก็จะไกลเกลีย่ยหรือว่าใช้ความนุมนวลอ่อนโยนเราสังเกตได้จนสมัยเป็นอาจารย์เป็นที่รักของนักศึกษาหลายคนแล้วก็ท้ายสุดก็ใจเป็นคณะบดีก็ไม่สนใจอเอแก้รองคณะบดีแล้วก็ออกมาแต่ท่านน่าสนใจคําพูดท่านก็ตั้งใจด้วยนะดูแลนักปฏิบัติท่านก็ตั้งใจเห็นคนง่วงเห็นคนเขาปฏิบัติแล้วก็ทําไม่ถูกท่านก็อาศัยจิตวิญญาณที่เป็นครูบาอาจารย์น่ะ ก็บอกแล้วก็ชี้นำนำเสนอแบ่งปันกันประสบการณ์ก็ถือว่าเป็นกระแลมิทที่เราก็ไว้วางใจได้รืออย่าันนี้เราฟังคำพูดว่าท่านจะแสดงออกอย่างไรกราบีิวันครับ ขอกราบบูชาพระธนาตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอกราบคารวะอาจารย์ทรงศิลป์อาจารย์วัฒนชัยพันเตเพื่อนสาธมิกขอเจริญพรแม่ชีแล้วก็บาสุกบาสิกาทุกท่าน ก็นั่งตามปกติเนาะจะสร้างจังหวะก็ได้นะหรือจะนั่งให้รู้สึกตัว <c oughs> ก็วันนี้นะก็เป็นโอกาสที่พวกเราได้มาร่วมกันนะทวัดนะซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันของ <c oughs> วัดป่าสุกโตแล้วนะก็มีหลายกลุ่มนะมากัน การมาวัดป่าสุกุโตเนี่ยถ้าจะให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยนะก็คือการที่เรามาเรียนรู้เรื่องของตัวเราถ้าเรามาแล้วไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะเพราะว่า <c oughs> ที่นี่เนี่ยจะพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ นะและก็เป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นหลักเทนะ่าที่ตัวกับผมนตตมาได้มาที่นี่ตนะั้งแต่ปี2527 2525ไม่ใช่27ตอนนั้นเคยบวชแล้วก็ไปศึกษากับหลวงพ่อเทียนนะที่วัดโมกตอนนั้นลาบวช1บรรษานะเป็นข้าราชการแล้ว แล้วก็ก่อนที่จะกลับไปทำงานก็ได้มีโอกาสมาที่วัดป่าสุกโ ต, โตก่อนที่จะลาเสขาไปนะช่วงนั้นนี่คนน้อยมากนะแทบจะไม่มีคนเลยอยู่กันเงียบๆแล้วก็ต่างคนก็ต่างปฏิบัติกันนะหลวงพ่อก็จะให้โอกาสนะพวกเราในการที่จะปฏิบัติ ในการที่จะเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจแล้วท่านก็เอาใจใส่นะแต่ก่อนท่านมีกำลังท่านยังหนุ่มนะท่านก็จะเดินไปดูนะที่กุฏนะิไปถามไปพูดคุยไปแนะนำนะในการปฏิบัตนะิถ้าเราติดขัดอะไรนะหลวงพ่อก็จะแนะนำนะซึ่งตอนนั้นก็เป็นบรรยากาศที่สงบเงียบกว่านี้มากนะ และผู้คนก็ไม่มากเท่าไหร่นะอันนั้นก็เป็นบรรยากาศในสมัยเก่าๆแต่ก็ถือว่าในยุคปัจจุบันนี้นะก็มีคนสนใจนะเข้ามากันมากแต่ละคนนะก็คงมีจุดมุ่งหมายร่วมกันนะที่จะมาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนนะคงจะเคยได้ยินได้ฟังมา หรืออาจจะเคยฝึกนะเคยเรียนกันมานะหลายหลายวิธีซึ่งตัวผมนิจมายเองนะขอสรุปอย่างง่ายๆเลยว่าการฝึกกรรมาฐานในประเทศไทยหรือในโลกเนี่ยมันมีอยู่สองแบบใหญ่ๆนะถ้าจะพูดแล้วแบบแรกก็คือเน้นให้เราสงบให้เรานิ่งนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาต่อนะ เราก็จะสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละแล้วมันก็จะไม่พัฒนาซึ่งวิธีนี้เนี่ยถ้าเราศึกษาดีๆครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าสงบในระดับหนึ่งให้นำมาพิจารณานาไตาลักนามาพิจารณากายใจของเราอีกครั้งหนึง่งอย่าไปสงบนิ่งนตรงนี้เป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนนาเท่าที่ตัวผมเรียตมาก็เคยได้ฝึกนะ ได้ฝึกอานาปนสติมาก่อนนะโดยฝึกกับพี่สุภวรรณนะปัจจุบันนี้หลายคนคงรู้จักนะสุภวรรณกรีนนะได้เรียนรู้อานาปนสติจากสุพวรรณพิสุภวรรณนะซึ่งตอนนั้นก็ได้สัมผัสกับความสงบนะความอิ่มปิตินะคิดว่าอันนั้นอนะคือที่สุดละนะอันนั้นอนะคือสิ่งที่เราได้ เรียนรู้แล้วนะแล้วเราก็หลงว่าอันนั้นล่ะคือความสุขที่แท้จริงในพุทธศาสนาก็หลงไปอยู่พักหนึ่งหนะลงไปที่ว่าพยายามทำจิตใจให้สงบไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องฟุ้งซ่านนะแล้วก็ใช้ลมหายใจนะเป็นเครื่องมือนะในการที่เราจะมีสติ นะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะซึ่งตรงนั้นก็ทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขที่เราไม่เคยเจอนะเป็นความสุขที่เกิดจากใจมันไม่ได้คิดอะไรนะใจมันไม่ฟุ้งซ่านนะและก็เป็นความอิ่ม อ, อกอิ่มใจขึ้นมาแต่เมื่อ <c oughs> ได้ไปออกไปจากการนั่งอนาปปนสติ หมายถึงว่าเราออกไปใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะเราก็ไม่สามารถที่จะเอาสติที่เราฝึกนั่นนะ่ะไปใช้ได้นะเพราะว่ามันเป็นสติที่มันนิ่งนะเป็นเป็นความสงบที่เราไปติดนะพอเราไปกระทบกับโลกนะไปได้ยินเสียงนะที่ไม่พอใจเห็นภาพที่อาจจะไม่พอใจนะก็เกิดความ พอใจไม่พอใจขึ้นมานะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราได้ฝึกมาเนี่ยการที่เราไปติดอยู่กับความสงบเนี่ยนะมันเป็น <c oughs> สิ่งที่ยังไม่เพียงพอนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อเทียนนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าเจ้าชายยิทัตต า, ธานี่นะได้ไปเรียนกับอาลาลาดาบทกับอุทกดาบท ได้ฌานสมาบัติ7สมาบัต 8, นะิ8ก็ได้ความสงบนะได้ความนิ่งก็เป็นความสุขนะสุขที่สุดแล้วในระดับของค น, น ย, คยุคนั้นนะเมื่อประมาณ 2,600 ปีที่แล้วนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเจ้าชายเทตก็ยังไม่พอใจนะไม่พอใจตรงที่ว่ามันมีความสุขมีความสงบขณะที่เรานั่งนิ่ง นะเราอยู่ในสมาบัตนะิแต่เมื่อเราออกมาจากสมาบัติแล้วนะเราไม่ได้เอาสิ่งนี้มาใช้เนี่ยนะบางทีก็ไม่ไม่รู้เท่าทันนะไม่รู้เท่าทันอารมณ์ไม่รู้เท่าทันความคิดนะที่มันปรุงแต่งแล้วก็ไปสัมผัสกับโลกนะโลกธรรมทั้งหลายเนี่ยก็ยังพอใจไม่พอใจอยูนะ่สุดท้ายท่านก็มาศึกษา ด้วยตัวทันเองพระเจ้าจายิตะเนี่ยก็ได้พบว่าความทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทันนะความคิดปรุงแต่งไม่รู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็คิดปรุงแต่งไปต่างๆนาน า, นาซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาสังเกตในชีวิตประจําวันของเราในขณะที่เราทําการทํางานก็ดี ในขณะที่เราใช้ชีวิตประจำวันก็ดีเนาะเราเห็นว่ามันจะมีความคิดที่เป็นความคิดที่เราไม่ตั้งใจเนะี่ยเยอะมากและความคิดที่ไม่ตั้งใจนี่แหละนะที่ทำให้เราเหนื่อยทำให้เราอ่อนเพลียทำให้เราหนักอกหนักใจนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรารู้นะเราเห็นนะว่ามันมันเป็นสิ่งที่บั่นทอน นะกำลังใจของเราแต่เราไม่รู้จะแก้ยังไงนะแต่มันมีความคิดอีกความคิดหนึ่งคือความคิดในการทำงานความคิดในการสร้างสรรค์ความคิดนี้เนี่ย <c oughs> จะเห็นได้ว่ามีไม่มากนะเราจะคิดเราจะใช้ต่อเมื่อเราทำการํางานเราใช้เสร็จก็จบเพราะนั้นปัญหาของคนในยุคปัจจุบัน หรือคนในยุคก่อนก็ตามเนี่ยมันจะมีปัญหาเหมือนกันนะก็คือความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งนั่นเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่าที่ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยนะก็จะพูดเอาไว้แต่เพียงแต่มันไม่อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นักนะหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านจะพูดชัดเลยท่านจะเน้นตรงนี้เลยว่า ความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งนะเราเผลอเราไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งถ้าอย่างนั้นเราจะเอาอะไรมาแก้สิ่งที่จะมาให้รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งก็คือความรู้สึกตัวนะซึ่งภาษาบาลีเรียกว่าสติสัมปชัญญะนั่นเองนะแต่ภาษาไทยเราเรียกว่าความรู้สึกตัวทีนี้ความรู้สึกตัวเนี่ย <c oughs> ถามว่าที่เรามาฝึกเนี่ยเรามาสร้างใช่ไหมไม่ใช่นะ ความรู้สึกตัวมีอยู่แล้วแต่มันยังไม่พอมันยังไม่ฉับไวพอมันยังเฉยอย่างเราทำการทำงานเนี่ยเราก็ทำด้วยความรู้สึกตัวเรามีสมาธิในการทำงานแต่ความรู้สึกตัวตรงนี้เนี่ยมันไม่ทันกับความคิดมันไม่ทันกับอารมณ์เรารู้นะความโกรธไม่ดีแต่มันโกรธขึ้นมาทีไรเราก็ไม่ทันมันสักทีหนึ่งนะตรงนี้เป็นจุดที่ ที่เห็นได้แล้วว่าความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะที่มีเนะี่ยมันไม่เพียงพอมันไม่เพียงพอที่จะทันกับอารมณ์มันไม่เพียงพอที่จะทันกับความคิดปรุงแต่งทำอย่างไรล่ะที่จใจมันเพียงพอทำอย่างไรที่ใ้มันฉับไวเราก็เลยต้องมาฝึกไงที่เรามาฝึกกันเนี่ยนะฝึกเพื่อปลุกความรู้สึกตัวให้มันฉับไวขึ้นมาทีนี้การที่ใ้ฉับไวขึ้นมานั้น นเราจะไปทำในชีวิตประจำวันเนี่ยค่อนข้างยากไม่ใช่ทำไม่ได้ทำได้แต่ค่อนข้างยากปพระนั้นการที่เราปลีกเวลานะมาอยู่วัดป่าสุกโตนะซึ่งเป็นสถานที่สงบสังัต์วิเวกนะเรียกว่าเป็นเสนานะวิเวกนะหรือสังัต์นะเพื่อที่จะตัดสิ่งแวดล้อมนะที่ทำให้เราเผลอนะทำให้เรา ไปสนใจสิ่งข้างนอกมากนะเราก็จะได้มีเวลาที่จะกลับมาดูตัวเราเองกลับมาสนใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราภายในร่างกายของเรานะ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่จะทำให้เราสามารถพัฒนานะพัฒนาความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วให้มีความฉับไวขึ้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยสถานที่อาศัยการยาณมิตร อาศัยครูบาอาจารย์ในการแนะนำในการฝึกปฏิบัติการเจริญสติเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำนะเราไปอ่านหนังสือเราไปจดจำเราไปฟังคำมาเนี่ยมันก็ได้เป็นความรู้ที่เราจำแต่มันไม่เข้าไปในใจหรอกนะมันอาจจะติดอยู่ที่สมองนะแต่ถ้าเราทำหรือเราปฏิบัติลงไปเนี่ยมันจะลงไปที่ใจเลย เข้าไปในใจเราจริงๆแล้วมันจะจำไม่ลืมนะทีนี้ในการฝึกเจริญสตินะที่แบบแรกนั้นพูดไปแล้วคือแบบนิ่งนิ่งสงบแต่ที่เรามาทำนี่คือแบบที่สองนะแบบที่สองนี้เราจะไม่เน้นตรงให้สงบนิ่งให้สงบแบบตื่นรู้ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนจะไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะยิ่งคนที่เคยฝึกแบบสงบนิ่งมาเนี่ยถ้ามาเจอวิธีนี้เนี่ย แล้ยังไม่ทำความเข้าใจเนี่ยจะปฏิเสธทันทีเหมือนตัวกระผมฤตธามมาในตอนแรกที่ไปพบหลวงพเทียนก็ปฏิเสธทันทีเพราะเราเคยฝึกแบบอนาพนาัสตินั่งสงบนิ่งๆสบายเย็นไม่ฟุ้งซ่านอะไรแต่พอมาทำอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเคลื่อนไหวอะไรยกมือตาก็ลืมไม่หลับแล้วมันจะสงบได้ยังไงนี้นี่คือเป็นคาถามที่คนใหม่ๆเนี่ยจะต้องเจอและตัว ตัวกับผมนี่ทําไมก็เจอเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยนะมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้นะเปิดใจนะทิ้งของเก่าไว้ก่อนนะแล้วก็เปิดใจที่จะเรียนรู้นะว่าวิธีการนี้เป็นอย่างไรวิธีการนี้เนี่ยนะเป็นวิธีการที่ไม่ต้องใช้ความคิดเลยนะไม่ต้องใช้ความจําด้วยแต่ใช้ความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้ว ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นนามธรรมมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอาการหนึ่งของจิตนะทีนี้จิตวิือใจเนี่ยมันอยู่ติดกับกายเราจะไปจับจิตหรือจับใจมันจับไม่ได้เราจะไปมองดูก็ไม่ได้เราเลยต้องอาศัยกายที่มันติดอยู่กับใจเนี่ยตายกายที่มันเป็ น, เ ป, น, นเป็นรูปธรรมเนี่ย มันเห็นได้ชัดมันสัมผัสได้ชัดเพราะฉะนั้นการที่เราจะปลุกความรู้สึกตัวก็ต้องมีการเคลื่อนไหวถ้าเรานั่งนิ่งๆเนี่ยนะมันจะไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะอ่อนถ้าใช้ลมหายใจเนี่ยความรู้สึกตัวก็จะอ่อนหรืออาจจะไม่ชัดไม่เหมือนกับการเคลื่อนไหวนะไม่เหมือนกับการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวด้วยมือด้วยเท้าเนี่ยมันชัดเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ หยาบนิดนึงใหญ่แต่มันชัดมันชัดก็ลมหายใจนะลมหายใจเนี่ยบางทีเราทําไปทําไปเนี่ยมันจะหลงหลงในที่นี้หมาถึงมันจะหลับไปแล้วมันจะลืมตัวนะบางทีนะแล้วบางทีมันจะง่วงนะทีนี้ถ้าเราทําแบบเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป้ามันใหญ่เป้ามันชัดเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวมันก็จะชัดแล้วมันจะง่าย ง่ายกว่าใช้ลมหายใจนะแต่ไม่ได้หมายความว่าทาวิธีนี้จะไม่ง่วงนะมันก็ยังง่วงอยู่ซึ่งอันนี้ประสบาการณ์ที่วันนี้พวกเราได้ทำมาก็คงจะได้สัมผัสความง่วงนี้เป็นธรรมดานะถ้าเราออกจากความคิดเนี่ยมันก็จะง่วงสังเกตนะถ้าเราคิดเราจะไม่ง่วงฟุ้งซ่านมันจะไม่ง่วงแต่ถ้าไม่ฟุ้งซ่านมันจะง่วงแต่ความง่วงเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคนะ มันเป็นตรงกันข้ามกับความตื่นน่ะที่สุดของความเงื่องคุยความตื่นเพราะฉะนั้นอารมณ์แรกๆของคนที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยจะเจอความง่วงก่อนนะเจอความง่วงวิธีการที่เราเจอเนี่ยไม่ใช่บางคนเนี่ยคิดว่าโอ้เจอความง่วงแล้วเอ๊ะผิดแล้วมั้งเนี่ยนะจริงๆมันเป็นอารมณ์เบื้องต้นที่จะให้เรามาเรียนรู้มาเรียนรู้ความง่วงเดี๋ยวบางทีมันก็ตื่นเดี๋ยวบางทีมันก็ง่วง นะเพราะนั้นเราต้องสังเกตความตื่นความง่วงเนี่ยมันสลับกันไปสลับกันมาเป็นหน้ามือหลังเนือนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้เพียงแต่ว่าเราไม่ยอมจำนนนะถ้ามันง่วงมันจะพาให้เราหลับตาเราไม่หลับเราลูมเรายกมือถ้ามันช้ามันง่วงยกให้มันเร็วขึ้นปลุกตัวให้ตื่นขึ้นอย่าไปสงบนิ่งถ้าหลับตานี่คือท่อสภาวนะนี่เอาความง่วงะแล้วบางคนเดินแล้ว ง, ง่วงเนี่ยก็มานั่ง ขนาดเดินยังง่วงแล้วนั่งมันจะไปเหลืออะไรล่ะใช่ไหมะนนั้นต้องฝืนมันเบื้องแรกนี่ต้องฝืนต้องต้องเรียกว่าทวนกระแสนหน่อยนะทวนกระแสความเคยชินทวนกระแสความง่วงนะตรงนี้เป็นจุดที่ที่คนเริ่มต้นใหม่จะพบเจอนอกจากความง่วงแล้วมีอะไรอีกความปวดความเมื่อยของร่างกายเราเดินนานๆมันก็เมื่อยเรานั่งนานๆมันก็เมื่อย ร่างกายมันบอกให้เรารู้แล้วว่าเนี่ยเมื่อยแล้วนะเป็นทุกข์ทางกายนี่แหละทุกข์ทางกายเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงละ่ะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเยียบทได้แต่เปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวอย่าเปลี่ยนทันทีเช่นแต่ก่อนเ น, นี่ยเราเคยทาอะไรแล้วเปลี่ยนทันทีความรู้สึกตัวมันก็จะพลาดไปเราปวดเราเมื่อยเนี่ยให้เรารู้สึกตัวให้ทันก่อนนะแลวอย่าเพิ่งไปทำตามความปวดความเมือ่อย ต่อรองมันนิดหนึ่งให้มันขอเราสักสามครั้งนี่ก็คือเราเล่นเล่นกับกายเล่นกับใจแล้วทีนี้บางคนเนี่ยปวดเมื่อยมากๆแล้วก็คิดต่อไปเลยโอ้ไม่ไหวละเราทนไม่ไหวละเราแย่แน่เลยเดี๋ยวเราจะเ ป, เป็นนี่นู่นเป็นนี้ไหมเนี่ยความคิดเข้ามาอีกละจิตมันปรุงแต่งเข้ามาอีกแล้วะันนั้นตรงนี้ก็เป็นตดเรียนที่เราจะได้เรียนรู้ งจากความปวดความเมื่อยไปเรียนรู้จิตที่มันคิดนึกงาจิตที่มันจินตนาการไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เรารู้เท่าทันเมื่อเมื่อสิ่งทีงตง่ต่า ง, ต, างต่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยให้กลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นจุดใหญ่ใจความสําคัญก็คือว่าให้กลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวแค่เนี้ตรงนี้จะเป็นหลัก เป็นหลักที่เราจะไม่ไหลไปตามอารมณ์เราจะไม่ไหลไปตามความคิดนี่คือหลักนะที่ใจเนี่ยมันจะมีสติอยู่กับกายแนะเพราะกายเนี่ยเป็นปรูปธรรมเป็นสิ่งที่สัมผัสได้เป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายแต่ใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเร็วมากความคิดมันก็เร็วมากนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาสิ่งที่จะมาถ่วงดุลมันก็คือความรู้สึกตัวธรรมชาติเนี่ยมันมีมืดก็มีสว่าง นะมีร้อนก็มีเย็นมันมีคิดก็มีไม่คิดความไม่คิดก็คือความรู้สึกตัวนะนี่เป็ น, นกลไกธรรมชาติที่มันมีเพราะนั้นแต่ก่อนเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเคยไหลไปตามกระแสะความคิดเลยไหลไปตามอารมณ์ซึ่งมันมีกำลังมากต่อไปนี้เนี่ยเราไม่ไหลไปตามมันละเรามาเพิ่มพลังให้กับความรู้สึกตัว ให้ความรู้สึกตัวมันเร็วขึ้นให้มันฉับไวขึ้นตัวเนี้จะเป็นตัวทอนกำลังความคิดไปเองโดยอัตโนมัติความคิดที่เคยคิดจุกคิดจิกเนี่ยมันจะน้อยลงนะหรือว่ามันจะมีกำลังน้อยลงเพราะนั้นเราจะมีความสามารถหมายถึงว่าตัวสติเนี่ยมันจะมีความสามารถในการที่จะไปทดแทนหรือไปควบคุมความคิดได้โดยเฉพาะความคิดจุกคิดจิกคิดไม่มีเว ล, เวลา ขนาดจะนอนแล้วยังยังคิด <c oughs> แต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวดีๆเนี่ยมันจะตัดความคิดไปเองเลยนะเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองเลยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจเลยนะการฝึกปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปสนใจความคิดเลยนะคำว่าไม่สนใจในที่นี้ก็คือว่ามันคิดได้คิดไปเราไม่ตามเราไม่ห้ามกลับมารู้สึกตัว ไม่ห้ามไม่ตามกลับมารู้สึกตัวถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะเด่นขึ้นมาพลัง่ความรู้สึกตัวมันจะเด่นขึ้นมาความคิดมันก็จะอ่อนกำลังลงเพนะราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย <c oughs> เมื่อเรามีความรู้สึกตัวชัดเนี่ยมันจะเห็นกายที่เราเคลื่อนไหวจะเป็นการยกมือก็ดีเป็นการเดินก็ดีการกระพริบตาก็ดีกินน้ำลายก็ดีหรือแม้แต่ลมหายใจ ซึ่งมันเบาเนี่ยเราก็จะรู้ชัดเมื่อความรู้สึกตัวมันชัดขึ้นมาเนี่ยกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมาเจนชัดจเจนขึ้นเมื่อเห็นกายเคลื่อนไหวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยเช่นความปวดความเมื่อยความสุขความทุกข์ความปกติธรรมดาไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยที่เขาแสดงของเขาอยู่แล้วนะเขาปรากฏของเขาอยู่แล้วนะเราก็จะเข้าไปเห็นมันเพราะฉะนั้นคําว่าสัจธรรมความจริงหรือธรรมะเนี่ย ก็คือสิ่งเหล่านี้แหละไม่ใช่สีแสงเทวดาลูกแก้วองค์พระนะที่เขาพูดกันเนี่ยไอ้นั่นมันมายาหมดเลยความจริงมันคือนี่แหละกายที่เคลื่อนไหวความปวดความเมื่อยความพอใจไม่พอใจความนึกคิดปรุงแต่งนี่แหละนี่คือความจริงที่เป็นธรรมะที่เขาแสดงตัวอยู่ทุกวี่ทุกวันเพียงแต่ว่าเราไม่เคยได้ไปสนใจเราไม่เคยไปเห็นมัน เราไม่เคยได้สนใจมันตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่สนใจเราก็เลยเผลอเผลอเข้าไปในอารมณ์เผลอเพื่อเข้าไปในความคิดบ่อยๆตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันหรือตั้งแต่ชาติที่แล้วถ้าพูดถึงเมื่อชาติที่แล้วนะไม่รู้ตั้งกี่ชาติแล้วนะแต่ยังไม่ไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นเราพูดถึงตรงเนี้ยชีวิตปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยจะมามีความรู้สึกว่าสมัยเด็กๆ เ, เนี่ย ไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยแหละเป็นเครื่องมือที่เราเรียนรู้สิ่งต่างๆการหยิบการจับการสัมผัสตรงเนี้ยมันเป็นเครื่องมือที่เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบๆตัวเราพอเราเรียนหนังสือสูงขึ้นสูงขึ้นใช้ความคิดมากขึ้นไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันม น, น้อยลงไปเพราะนั้นเราก็เลยจมมาอยู่กับในความคิดจมอยู่ในาอารมณ์เพราะนั้นการมาฝึกเจริญสติเนี่ยเหมือนกับเรา กลับไปเอาเครื่องมือสมัยที่เราเป็นเด็กๆอเอามาใช้อีกเป็นความรู้สึกตัวที่สัมผัสกับสิ่งต่างๆเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาโดยมันไม่ต้องผ่านความคิดอย่างเรายกมือเนี่ยเราพลิกมือเรารู้สึกเราไม่ได้ไปคิดว่ารู้สึกนะมันรู้สึกเองอะ่ะเราเดินสัมผัสกับพื้นก็รู้สึกอากาศมันร้อนมันเย็นเราก็รู้สึกเราไม่ได้คิดว่ารู้สึกนะตรงนี้ ตรงนี้เป็นจุดที่คนที่มีการศึกษามากๆเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเราใช้ความคิดมากเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะไม่ต้องใช้ความคิดเลยกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆบ่อยๆตรงนี้เราจะมีเรียกว่าปัญญาญาณที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นปัญญายาณที่เกิดจากความคิดเป็นปัญญายาณที่เกิดจากความรู้สึกตัวนะซึ่งเครื่องมือตรงนี้เนี่ยเรามีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเรา ทำให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆเรื่อยๆให้มันเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นการทําอย่างนี้เนี่ยต้องอาศัยการทําอย่างต่อเนื่องนะสำหรับคนเริ่มต้นใหม่ก็คือในรูปแบบนี่แหละนะแล้วก็พอออกจากนอกรูปแบบเนี่ยเราไปใช้ในชีวิตประจําวันเดินแปลงฟันล้างหน้าล้างตานอนด้วยความรู้สึกตัวกินข้าวด้วยความรู้สึกตัว สังเกไตไ้มท่านอาจารย์ทรงสินก็พยายามที่จะให้พวกเราเนี่ยมีความรู้สึกตัวในกิจวัตรทุกอย่างเพราะนั้นคนใหม่ๆจะรู้สึกอึดอัดนิดหนึ่งในวันแรกอะไรทุกอย่างเลยโอกินข้าวก็ยังมาพูดอีกอะไรก็ไม่รู้กินข้าวไม่อร่อยเลยบางทีบางคนอาจจะรู้สึกอย่างนั้นตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญก็คือว่าต้องการที่จะฝึกให้พวกเราเนี่ยมีความรู้สึกตัวในทุกขณะ เพราะว่าความรู้สึกตัวเนี่ยต้องอาศัยการทําอย่างต่อเนื่องหลวงพ่อเทียนใช้คําว่าต่อเนื่องเหมือนลูกโซ่่คําว่าต่อเนื่องเหมือนลูกโซ่ในที่นี้เนี่ยก็คือมันรู้เป็นขณะขณะขณ ะ, ะ, ะไม่ใช่รู้แบบเป็นเหล็กเส้นนะเหล็กเส้นคือจี้จะให้มันรู้ตลอดเวลาตรงนี้จะเครียดเพราะฉะนั้นใครทาแล้วเครียดเนี่ยให้รู้เลยว่ามันมันจี้เกินไปใหม่ๆเนี่ยนะเผลอบ้างรู้บ้างแต่เผลอแล้วกลับมารู้ได้เร็ว การที่เรารู้ว่าเผลนั่นก็คือรู้ใช่ไหมบางคนบอกโอ้โหเผล อ, อีกแล้วช่างมันเริ่มต้นใหม่เลยความรู้สึกตัวเนี่ยให้เป็นความรู้สึกตัวสดสดทีละขณะทีละขณะขไปเรื่อยๆนะทั้งคนเก่าคนใหม่เนี่ยมันก็ใช้หลักการนี้แหละนะขอให้เพียงแต่ว่าเรามีความเพียรมีความพยายามที่จะทำอย่างต่อนเนื่องทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะตั้งแต่ตื่นยันหลัก ถ้าหลับแล้วก็แล้วไปนะไม่ต้องไปสนใจมันตอนหลับนะเพราะว่ามันมันหลับไปแล้วพักผ่อนแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยนะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเนี่ยนะอย่าเพิ่งลุกทันทีนะอาจจะพลิกมือเล่นลมสูดลมหายใจก็ได้ให้รู้สึกตัวชัดๆเลยนะแล้วค่อยๆลุกขึ้นมาด้วยความรู้สึกตัวนะพับผ้าเก็บที่หลับที่นอนให้เรียบร้อย ด้วยความรู้สึกตัวนะล้างหน้าแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวนะเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสส า, าวะด้วยความรู้สึกตัวนะแล้วก็เดินมาที่ศาลานี้ด้วยความรู้สึกตัวสวดมนต์ไหว้พระเข้าใจบทสวดติดตามบทสวดด้วยความรู้สึกตัวสังเกตไหมเวลาสวดมนต์บางทีเราก็แวบคิดไปเรื่องอื่นบางทีบทสวดเราก็พลาดไปเหมือนกันมันก็มีเหมือนกันใช่ไหม เพราะนั้น ต, <S <S ตรงนี้เราสามารถจะฝึกได้กับทุกกิจกรรมกินข้าวอาบน้ำแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวนะแล้วก็เดินโจงกลมสร้างจังหวะเนี่ยด้วยความรู้สึกตัวตรงนี้เนี่ยจะทำให้การเจริญสติของเรามีความต่อนเนื่องนะแม้ว่าเราจะมีระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยนะแต่ขอให้ตั้งใจทำ ด, ดีเดี๋ยวผลเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะ มันจะบอกเองแต่เราอย่าไปหวังมันนะถ้าเราไปหวังบางทีเราก็ไปกะเกงมันมากไปตั้งใจมากนะบางทีมันก็ไม่ได้อย่างที่หวังให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นนะ่ะธรรมะเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่ใจเรานึกคิดเราหลายคนเนี่ยมาฝึกกรรมฐานตั้งใจว่าจะมาพักผ่อนมานั่งสงบนิ่งๆให้มันสบายสบาย ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องฟุ้งซ่านอะไรนี่คือภาพที่ส่วนใหญ่เราคิดและตัวผมนี่ะมาก็เคยเห็นอย่างนั้นเหมือนกันเคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่พอมาทำยิงไม่ใช่เลยอยวันแรกเนี่เบือที่สุดง่วงที่สุดฟุ้งซ่านมากที่สุดอันนี้มันเป็นนิสัยเก่าๆของเรามันจะมันจะแสดงออกมาเรามีอย่างเดียวที่เราจะแก้คือกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวให้ได้บ่อย อันนี้จะเป็นหลักอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะกลับมาตรงเนี้แล้วทุกอย่างมันจะผ่านเพราะนั้นการฝึกเนี่ยคือฝึกผ่านทุกอารมณ์ทุกอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาจะเป็นดีหรือไม่ดีเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจผ่านไปเลยนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะผ่านไปเราไม่ไปติดไปติดอยู่ที่ความสงบหรือไม่ไปผักใสสิ่งที่เป็นความไม่พอใจนะ ใจเราเป็นปกติถ้าเราผ่านอย่างนี้ได้เนี่ยเรากลับมารู้สึกตัวได้บ่อยๆเนี่ยใจมันจะคืนสู่ความเป็นปกติได้เรื่อยๆที่เราไม่เป็นบ้าเนี่ยเพราะความเป็นปกติของใจที่มันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติคนเป็นบ้าเนี่ยเพราะว่าใจไม่ปกติเขาไม่ค่อยมีสติเขาไม่ค่อยมีความรู้สึกตัวเขาเพลินไปกับความคิดนึกปรุงแต่งเพลินไปกับอารมณ์ต่างๆ เพราะนั้นการที่เรากลับมารู้สึกตัวกลับมาที่ใจปกติบ่อยๆนี่แหละก็คือคืนสู่ความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมที่มันมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแล้วนี่แหละเป็นที่พักที่แท้จริงเป็นความสงบที่ตื่นรู้ไม่ใช่ความสงบที่นิ่งนะแล้วก็ปัญญาาณมันจะเกิดตรงนี้ปัญญาาณที่มันจะเกิดเห็น กายเห็นใจของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่คงตัวมันไม่สามารถอยู่ในบังคับบัญชาได้น่ซึ่งตรงนี้ที่เราเรียกว่าไตลักษ์นั่นเองไตลักษ์นี่เราไม่ได้ไปจำมานะแต่มันเกิดจากการที่เราปฏิบัติเนี่ยแล้วมันก็แสดงตัวมาอ๋อมันอย่างนี้เองแล้วเรามาสมมุติเป็นคำพูดสมมุติเป็นภาษาขึ้นมาเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่เราเจริญสติ ที่เกิดความเบื่อหน่ายจริงๆเนี่ยมันต้องเกิดจากการเจริญสติจริงๆไม่ใช่ไปจําจากตัวหนังสือแล้วบอกอว่ามันน่าเบื่อนะสังขารนี่มันน่าเบื่อนะไอ้นี่มันจำออามาเอามาพูดแต่ถ้าเราสัมผัสลงไปตรงๆเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกเอื่อมละอาจริงๆเห็นเลยว่าโอ้ร่างกายเรามันหนักจริงๆใจเรามันหนักจริงๆอันนี้คือความจริงที่มันจะเกิดการปล่อยวางการปล่อยวางไม่ได้เกิดจากการที่เราคิดแล้วปล่อย หรือไปจําครูบาอาจารย์บอกให้ปล่อยวางนะไอ้นั้นมันจํามานะ่ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นความจริงความจริงต้องเกิดจากการที่เราเจอกับมันจริงๆแล้วก็เกิดการรู้สึกขึ้นมาจริงๆว่าโหมันน่าเบื่อจริงๆแล้วมันปล่อยวางนะซึ่งตรงนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัตินะที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการจินต น, นาการหรือนึกคิดเอา เพราะนั้นการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสก โ, โตเนี่ยนะก็เป็นการที่เรามาเรียนรู้มาปฏิบัติลงไปตรงๆด้วยตัวเราเองซึ่งในการที่จะฝึกเนี่ยมันก็ต้องผ่านอุปสรรคต่างๆนะก็ขอให้เรามีกำลังใจมีความเพียร น, นะแล้วก็อย่าพึ่งท้อถอยนะพยายามต่อไปนะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า สัจธรรมความจริงของพุทธเจ้าเนี่ยที่ค้นพบเมื่อ2องพันหกรกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันยังเป็นจริงอยู่ไหมมันยังเป็นประโยชน์กับคนในยุคปัจจุบันนี้ไหมโดยเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปพิสูจน์เข้าไปทดลองนะเราไม่ต้องไปหาหนทางแล้วพุทธเจ้าค้นไว้แล้วครูบาอาจารย์ค้นไว้แล้วหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านค้นไปแล้วเดินตามอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปสงสัยเลยพิสูจน์เลยบางคนยังสงสัยนะไปติดความคิดเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไง ตรงนี้มันจะช้าเพราะฉะนั้นการเนื่นช้าในอันที่หนึ่งคือยังไม่โปรงใจเชื่อยังสงสัยอยู่สองติดความสบายนะทำไปทํามาห้อยง่วงนอนไม่ไหวละกลับไปนอนดีกว่านะถ้าไม่มีกูบาอาจารย์อยู่กลับไปนอนอะไรเงี้ยนะหรืบางคนก็มันจะเป็นไปได้ยังไงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะทำให้เราเนื่นช้าเพราะฉะนั้นมีทางเดียวลุยเลยแต่มาชอบใช้คําำนี้ลุยเลย มันจะเกิดอะไรขึ้นลุยลุยในะที่หมายถึงอะไรกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยเกิดอะไรขึ้นกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยทีนี้ในการฝึกพิธีนี้เนี่ยจะไม่เน้นให้หลับตานะลืมตาเพราะหลับตาจะง่วงนะลืมตาหรือลืมตาสู้เลยนะตื่นเป็นตื่นรู้นะตรงนี้เป็นสิ่งที่ อ, อ่มันจะแปลกมันจะแตกต่างไปจากวิธีการที่เราเคยทามาแต่ไมไมกลัวมันจะฟุ้งซ่านไม่ต้องกลัวหรอก วิชวิจิ้จริงๆเราบันทึกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ อ, อยากจะฝากพวกเราไว้เนาะเพราะฉะนั้นโดยโดยสรุปแล้วเนี่ยนะการเจริญสติที่เรามาฝึกกันเนี่ยก็เป็นแบบที่แตกต่างนะไปจากการฝึกแบบสงบนิ่งนะที่เราเคยได้เรียนรู้กันมานะจุดใหญ่ใจความก็คือให้เรามาทําความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไวหวให้ได้บ่อยๆ อ, อันนี้เป็นจุดพื้นฐานแล้วก็จะทําให้เราเนี่ย เข้าไปรู้นะอาการปวดอาการเมื่อยความสุขความทุกข์ความเป็นปกติจิตใ จ, จที่มันนึกมันคิดอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้เราจะรู้ทันพอรู้ทันตรงนี้เนี่ยอารมณ์มันจะเกิดไม่ได้ละมันจะมันจะหายไปทันทีเลยเพราะความคิดมันจะเข้าไปจัดการเออสติมันจะเข้าไปจัดการเข้าจัดการความคิดเข้าจัดการอารมณ์เพราะหลายคนถามว่าจะแก้โกรธยังไง มันโกรธแล้วแก้ไม่ได้หรอกแต่ก่อนมันโกรธสิถ้าเรามีสติมันจะเห็นเลยโอ้โหมันมันกลุ่นๆขึ้นมาแล้วมันเห็นแล้วมันก็จะไม่เกิดละประนด้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราหาเครื่องมือนะในการที่จะให้เรามีหลักนะสำหรับตัวเราเองนะซึ่งหลักที่จะใช้ก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองเป็นหลักให้กับใจ นะซึ่งอันนี้ต้องอาศัยความเพียรพยายามการทาอย่างต่อนเนื่องนะโดยไม่ท้อถอยนะมีความเพียรนะพยายามที่จะทำให้ต่อนเนื่องต่อไปนะนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้นะในช่วงที่เหลืออยู่อีกสองวันรนะวมถึงท่า น, น, นอื่นๆนะที่เพิ่งมาก็ดีหรือที่อยู่มานานแล้วก็ดีนะก็อยากจะย้ำตรงนี้ว่า อย่าให้เวลาเสียไปกับเรื่องอื่นให้เวลากับเรื่องนี้เต็มที่ก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดนะจากการมาที่วัดป่าสุโขโตนะที่เป็นสุธาบันสติปฐานนะกิจกรรมอื่นนี้ถือเป็นเรื่องรองการเจริญสตินี่ถือเป็นเรื่องเป็นเรื่องหลักนะเป็นเรื่องสำคัญนะในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอากุลของพระศรีรัตนตรยัยนะก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ นะและก็ความเพียรพยายามของทุกท่านนะที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัตนะิเป็นพะวะปัจจัยหนุนนำส่งให้ทุกท่านนะได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจในเร็ววันนี้โดยทหน้กกันเทินเจริญพร